เตโชาธาตออนเผาไม่ได้ไม่ควรจะเหมาเอาผูชนะว่ากินตายฉะนั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบดังกรมย่าอนน้อยบุคคลปากไว้ที่ภูมีภาคแผ่นดินยังมีบุคคลผู้หนึ่งเอาศิลาใหญ่มาทับลงกัมย่าน้อยมิอาจทรงศิลาใหญ่มิอาจทานศิลาใหญ่ไว้ได้ย่อมจะบี้แบนย่อยยะไปยะถา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 จะทรงไว้ซึ่งพระอรหัตได้นานปานดุดบุรุษหินชาติมิอาจสเสวยราชสมบัติบวรสเสวตชนนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีได้ทรงฟังพระหน้าเกษวิสัชนาชนี้ก็ชื่นชมปรีดาสาธุการสรรเสริญพระหน้าเกษต่างๆในการบัตรนั้นขี่หิปับพชิตานังขีนาสวะปัญหาเป็นคารบหกจบเพียงนี้